วัดเช้าเสร็จก็ฟังธรรมันสักหน่อยนั่งฟังกันสบายๆนะทําใจสบายๆนะผ่อนคลายนะการฟังธรรมก็คือกันกลับมาสังเกตดูตัวเราเองนันะ่นแหละสิ่งที่ได้ยินได้ฟังก็คือสิ่งที่มัน มีจริงเนะในตัวเราเห็นตามไปในสิ่งที่เราได้ฟังนะคือเราได้สวดเมื่อสักครู่น่ะถ้าเราเห็นตามไปด้วยนะเรามีความแก่มีความเจ็บมีความตายนะมันจุร่าเข้าเตือนเราเตือนให้เราไม่ประมาทนะใช่ไหมคล้าๆถ้เปลี่ยนคือเหมือนก็เหมือน เขาส่งเชิญหมายมาเตือนนะเอี๋ยนี้ไม่ค่อยมีเชิญหมายแล้วอาจจะส่งข้อความมาเตือนนะส่งข้อความมาเตือนนะนีว่าเรามันไม่เที่ยงนะร่างกายมันไม่เที่ยงนะร่างกายมันมีความทุกข์นะมีความทุกข์นะร่างกายมันก็น้องเขไปสู่ความตายเนี่ยเนี่ยคือมัน เขาส่งจดหมายมาเตือนเรานะให้เราไม่ประมาทเนี่ยนะหลายคนที่มาที่นี่ก็คือคนที่ไม่ประมาทนะไม่ประมาทมาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เราได้มีพิพึ่งนะทางใจของเราจริงๆนะพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านก็จะเป็นการในยนานนิษฐนะแต่จริงก็ อะไรนิดก็ส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนที่สําคัญมากนะพาร่วมค้นจากทุกได้นะถ้าเรามีกูบายฌานนีมีอะไรนิดดีนะก็สามารถชี้แนะนําพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์ได้แต่าบางส่วนถ้าเราไม่ได้อยู่วัดประจําถ้าเราไม่ได้ออยู่ใกล้กูบายฌา์ประจํานะบางคนก็จะกลัวว่าเราปฏิบัติธรรมได้หรือเปล่านะ ควรลงที่ผิดทางหรือเปล่านะก็ให้อาศัยตัวเองนั่นแหละเป็นการแอนมิตนะอาศัยความแยกคายในการปฏิบัตินะเป็นเป็นการแอนมิตให้กับตัวของเราเองนะการแยกคายก็คือการสังเกตดูนะดูสภาวะที่มันเกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัตินะดูว่าฮะปฏิบัติไปแล้วมันมันเกิด ถ้ามันเกิดแปลกๆนะเกิดความรู้สึกแปลกๆนะอารมณ์ทำไมมันเที่ยงนะทำไมมันสุบกระหลอดเลยนี่ก็แปลกนะอันนี้คือหรือทําไมมันหนักมันแน่อนอืมตลอดเลยเนะี่ยอันนี้ก็แปลกแล้วนะมันถือว่ามันไม่ปกตินะแต่ต้องสังเกตว่ามันทําแบบไหนต้องเป็นแบบนี้อ่านะ ถ้าเรารู้สั่นโอ้อันนี้แหละเนะเราติดตรงนี้นี่เองนะอืมบางทีมันหนักมันแน่นนะขึ้ น, นเรื่อยๆนะเพราะว่าบางทีเราไปไปจดไปจ้องไปเอาไปอยากมันมากเกินไปนะไปรักษามันมากเกินไปแบบนี้นะมันก็อาจจะเกิดความสภาวะแบบนั้นหรือบางทีมันเบามันสบายมันสุกนะทําไมตลอดทั้งวันเลยนะอืม มันก็แปลกกันนะทําไมพระเจ้า ส, สอนว่าสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยมันมีเป็นทุกข์นะแต่ทำไมเราเป็นสุขตลอดเลยเนะี่ยนี่คือเราก็ต้องดูนะหรือสภา้าทำอย่างพระเจ้า ส, สอนว่ามันไม่เที่ยงนะแต่นี่ทำไมมเที่ยงอะ่ะมันอยู่ตลอดเวลาเลยอะ่ะอืออันนี้หรือบางอย่างเราปฏิบัติมันเหมือนบังคับได้เลยนะเนี่ยอ่ะ อยากให้รู้ก็รู้นะแบบนั้นแบบนี้คือบังคับมันเกิดขึ้นเลยเนี่ยมันก็เราก็สังเกต้ว่าเอ๊ะมันมันขัดกับสิ่งที่พระเจ้าสอนเราเนี่ยท่นที่จริงนะการปฏิบัติจริงจริงคือถ้าเราวางใจของเราให้ถูกนะมองให้ถูกเนี่ยมันจะไม่ขัดกับ กฎของธรรมชาตินะกฎของไตรักนะเราปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อ<ม>เพื่อฝึกให้เพื่อฝึกให้สภาวะต่างๆมันเที่ยงมันคงที่นะมันไม่เปลี่ยนแปลงนะไม่ใช่ฝึกเพื่อให้เช่นมันดีแล้วก็ให้มันดีตลอดไม่ใช่ฝึกแบบนั้นสภาวะที่เขาเป็นทุกข์นะเราก็ไม่ฝึกว่า ฝึกเพื่อให้มันหายหมา ย, หมายความว่าไปมุ่งเป้าเพื่อให้มันมันหายนะเช่นเวลามันเราง่วงนอนเวลาเราฟุ้งซ่านเวลาเกิดอะไรขึ้นเวลาแต่นะเรารู้สึกตัวเราฝึกสติเนี่ยไม่ใช่เพื่อไป <c oughs> ไปแก้แต่นนะั้นแต่เราฝึกเพื่อสร้างสตินะฝึกให้มีสติไม่ฝึกเพื่อให้มันหายง่วงนอน ไม่ฝึกเพื่อให้มันหายฟุ้สร้างนะอันนี้คือถ้าเราดูดีๆนะเอหรือแม้แต่เรานั่งนะนั่งปวดเมื่อยนะแล้วก็มีสติให้จิตมันดูดขอกจากความปวดเมื่อยไม่ใช่ฝึกเพื่อให้มันหายปวดเมื่อยนะไม่ใช่ทนให้มันหายปวดเมื่อยนะอันนี้สภาวะต่างๆนะที่เขาแสดงขึ้นมาเนะี่ยเราเราอยิบไปหลงอยิบไปหลง ไปยุ่งกับเขามันก็เป็นเพียงแค่อาการหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาเราเราอย่าไปลงยุ่งกับเขาเราหน้าที่ของเราคือดูเขาเราแยกทายนะว่าเราเขาไปจัดการมากไปหรือเปล่าเนี่ยไปยุ่งกับมันมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยครูบาอาจารย์ท้องสอนให้เราแค่รู้สึกตัวเฉยๆนะไม่ได้บอกให้เราไปห้ามไม่ให้บอกให้เราไป ประคองไม่ได้บอกให้เราไปนะทำให้มันอยู่คงที่เลย น, นะเราก็ดูว่าเนี่ยเราก็สังเกตดูตัวเราเองว่าขณะที่ปฏิบัติถ้ามันสภาวะจิตมันเป็นแบบไหนนะมันปกติไม่หรือว่ามันไม่ปกติขึ้นเพราะความรู้สึกตัวเนี่ยนะมันจะเป็นตัวปรับนะ ตัวปรับนะเวลามันหลงไปนะมันก็ปรับกลับมานะเวลามันจมเข้าไปมันก็ถอนออกม า, านี่เนะาะความรู้สึกตัวมันจะเป็นตัวปรับความพอดีในการปฏิบัติธรรมมันจะเป็นตัวสังเกตนะสังเกตว่าปฏิบัติไปแล้วมันติดมันขัดตรงไหนนะบางทีเราต้อไปติดไปไปค่องอยู่กับนะความพอใจ ไปครอบกับความไม่พอใจนะกับสภาวะอารมณ์ต่างๆนะมีแต่ความดีใจมีแตความเสียใจนะวันนี้ทําได้ดีวันนี้ทําได้ไม่ดีนะขัดใจตัวเองขัดใจคนอื่นนะชอบใจตัวเองเข้าใจคนอื่นอันนี้ก็ไปติดไปข้องนะนะไปติดไปข้องละเพราะว่านะานะมันจะทํานี่ ถ้าเราปฏิบัติสูเนี่ยมันจะถอนความพอใจความไม่พอใจออกไปได้น ะ, นะถอนก็คือเนี่ยเราเห็นมัน อ, อ๋อมันพอใจถ้าเราเห็นนะมันก็จะละได้มันไม่พอใจนะเราเห็นมันก็ละได้อีกเหมือนกันเนี่ยแหละความรู้สึกตัวนะมันจะนําพาให้เราเห็นกายนะอสักไปว่ากายนะไม่ใช่เรา ไม่ใช่เราจริงๆความรู้สึกตัวนะมันก็จะนาพาให้เราเห็นอาการของจิตใจมันจะย้อนกลับมาเห็นใจนะใจที่มันปุ่มแต่งใจที่มันมีความโรคความโกรธความลมขึ้นมาเนะี่ยความรู้สึกตัวมันจะทำให้เราเห็นเห็นพอเห็นแล้วมันก็จะไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปปรุงต่อ ไม่เข้าไปเป็นกับอาการพวกนั้นนั้นะมาจะเห็นว่าอ้อมันเป็นอาการของของจิตใจเฉยๆนะนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจริงๆหรอกนะถ้ามีสตินะมันจะเห็นแบบนี้แต่ถ้าไม่มีสติมันแต่กลายเป็นเรานะเราคิดดีเราคิดไม่ดีเราสุขเราทุกข์นะเราวุ่นวายเราสงบนะแต่ถ้าโดยดีอ้อมมันเป็นอาการ เป็นอาการเฉยๆนะเราเหมือนที่จริงมันเหมือนคล้ายๆเหมือนเรือนะลอยอยู่บนผิวน้ํำนะไม่ใช่เราไปอยู่ข้างในน้ํำนะอาการนะมันเหมือนเป็นน้ํำนะที่มันก็มันมันก็มีจริงนะแต่มันไม่ใช่ของจริงนะเพราะเนี้ยอาการนะ่ะมันก็เกิดขึ้นจริงนะอนะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดพอใจเกิดไม่พอใจมันก็เกิดจริงนะ แต่เราอยู่เหนือมันนะะฮอยู่เหนือเหมือนเรือที่อยู่เหนือน้ํำนะแต่ถ้าเรือมันรั่วมันก็จมลงไปในน้ําะสติคือมันจะถอนนะถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ในโรกก็คือเนี่ยแหละนะในกายในใจนี่แหละนะความพอใจในกายในใจนะ โรคข้างนอกก็คือมันก็พอใจจากข้างในนี่แหละนะืพอใจว่าถูกสิ่งของมันก็เกิดจาการยึดข้างในนี่แหละนะนะความรู้สึกตัวมันจะเป็นตัวเหมือนเป็นตัวเฉลยเนะฉลยคําตออทุกอย่างนะถ้าเราหลงไปเนี่ยความรู้สึกตัวมันจะทําให้เรากลับมารู้สึกตัวได้นถ้าเราจมไปนะเราก็จะเห็นว่ามันจมเข้าไปเกินไปความรู้สึกตัวมันจะทำให้เราถอนขึ้นมาได้ นะกรรมฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่สำคัญนะกลับมาหาฐานนะวาเราหลงไปเนี่ยนะให้รู้สึกตัวไว้นะเมื่อรู้สึกตัวแล้วมันจะกลับมาของมันเองไม่ใช่เราพยายามจะกลับนะนะเมื่อรู้สึกตัวแล้วมันจะกลับนะสติมันจะเป็นตัวแบบทำไมทำเป็นแบบนี้นะคล้ายๆมันมันผิดปกติไปแล้วนะเออมันจะเอ๊ มันจะท้วงนะมันจะท้วงตัวเองพอมันท้วงแล้วมันก็ไม่ต้องทาำเลยนะมันก็จะออืมกลับมาละเช่นคิดนะก็ไม่ต้องคือการท้วงเนี่ยคือจิตมันเห็นละอืมหลงไม่คิดแค่นี้ไหละนะมันก็จะกลับมาของมันเองนะไม่ต้องไปอืทําไมมันคิดไม่ทําไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นไม่ใช่ว่าไปท้วงแบบนะแต่มันมันแค่ท้วงหลงไปแล้อวนี่นะมันก็จะกลับมาของเขาเองนะ หลในอาการอะไรต่างๆก็เหมือนกันนะพยายามกลับมามีสติบ่อยๆนะวิสติบ่อยๆมันจะเป็นเหมือนการเดินทางนะสติเนี่ยจะเป็นตัวเดินทางนะมันจะไปเรื่อยๆนะไม่ติดไม่ขาดไม่ค้องนะไม่แวะที่ไหนนานนะแต่ถามว่าในช่วงปฏิบัติมันมีหลงไหมมีมีคลนะ้องไหมมี แต่ถ้าผู้ที่มีสติเนี่ยมันจะไม่ติดนานนะไม่ติดนานถ้าแวะพักสักหน่อยนะเวลามันมีปิติอือเขาเกิดขึ้นอยู่นะแต่ก็ติดไม่นานก็ไปต่อได้นะเวลามาสงบนะก็ไม่ได้เป็นผู้สงบแต่แค่อยู่ในความสงบนะมันก็เห็นความสงบนะมันก็ก้าวข้ามต่อไปได้เนี่ยคือเวลามันรู้ก็เหมือนกันนะ แต่ก่อนก็เข้าไปเป็นผู้รู้นะชอบความรู้นะแต่พอเราเห็นว่าเออเราไปติดความรู้นิวรานี่ย อ, อืมเราไปโลภความรู้นิวรานี่ไหมอยากได้อีกแล้วอยากจําไว้อีกแล้วนะอยากรู้เยอะๆอีกแล้วเนี่ยโลภแล้วนะเราก็จะถอนตัว อ, ออกมาได้ น, นะคือมันต้องถ้าความรู้สึกตัวมันทำให้เราเห็นนะเห็นว่าเราไปติดนะมันก็จะออกมาของมันได้ อันนี้คือการนามิตรนะที่ดีมากๆนะความรู้สึกตัวนะที่เป็นฐานให้เราได้เกิดความเรียกว่าเกิดพัฒนาการนะในการปฏิบัติแต่นอกจากว่าบางครั้งนะถ้ามันรู้สึกตัวเฉยๆทำไมมันไม่มีอะไรเลยนะมันมีแต่มันมีแต่แบบ รู้สึกเฉยเฉยไม่เกิดอะไรไม่ไม่เห็นมันคิดเลยนะวันวันหนึงไม่มีความคิดขึ้นมาเลยวันวันนึงไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเหมืนนะถ้าเฉยเกินไปเนี่ยก็ไม่ใช่น่ะต้องระวังนะบางทีถ้าเฉยเกินไปไม่คิดเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยไม่ไม่มีอะไรแสดงเลยเนี่ยมีแต่เห็นกายมันเคลื่อนไปเรื่อยอ มีแต่ตรงนี้นะทั้งวันทั้งคืนเนี่ยบางทีก็ต้องดูว่ามันไปจับตัวนั้นมากเกินไปหรือเปล่านะบางทีก็ต้องปล่อยปล่อยมันบ้างนะอย่าไปจับอย่าไปประคองมันมากปล่อยปล่อยคือว่าอย่าไปอย่าไปกาหนดมันมากอย่าไปกาหนดมันมากเกินไปเพราะมันจะมี มันจะมีขั้นตอนของการเจริญเรียกว่าเป็นการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาคือเห็นสภาวะความคิดที่มันเผลอไปเนี่ยนะความหลงที่มันเผลอไปเนี่ยนะเห็นตัวปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละนะสติมันจะไปเห็นพวกนั้นนะไปเห็นพวกนั้นอ่ะมันก็คือว่ามันเห็นว่ามันดลงไปเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปนเห็นความคิดเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไป เห็ความสุขเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเห็นทุกขเกิดขึ้นมาก็ดับไปเนะี่ยคือมันจะจะเลยก็คือเห็นสภาวะเกิดดับบ่อยๆเกิดดับบ่อยๆแรกๆก็ไม่ทันการเกิดดับนะมันเกิดไปแล้วเราเค่อยเห็นเห็นแล้วมันดับไปตอนไหนก็ไม่รู้ในบางทีนะแต่พอต่อไปเรยก็เห็นเมื่มันเกิดขึ้นมาแล้วพอรู้สึกตัวเออมันก็หายไปเกิดขึ้นมาอีกพอรู้สึกตัวก็หายไปอีก ต่อไปเราก็จะเห็นช่องว่างของการเกิดการดับนะเฮ้ยก่อนเกิดมันไม่มีอะไรนี่นี่ยมันก็ปกติอีกนี่แล้วแป๊ บ, บนึงว่าเกิดขึ้นมากลับพอมันดับไปมันก็กลับมาสู่ความเป็นปกติอีกแล้วนี่เนี่ยนี่คือจิตมันก็จะเห็นพวกนี้นะจิตมันจะสะสมปัญญาเออสิ่งทั้งหลายทั้งลวงนะมันมีแต่สภาวะที่เกิดที่ดับเนีบังคับให้เกิดก็ไม่ได้ มังคับใี่ดับก็ไม่ได้นะแต่ถ้าเราเห็นมันเรารู้มันเนี่ยออมันก็ดับไปของมันตามกฎของธรรมชาตินะไม่ว่าจะสุขจะทุกข์จะดีไม่ดีนะล้วนเอามาเป็นที่พึ่งจริงๆไม่ได้เลยนะล้วนไปนยึดติดก็เป็นทุกข์เท่านั้นเลยนะไปยึดสุขก็ขเป็นทุกข์ไปยึดทุกข์ก็เป็นทุกขนะ์นะยึดดีก็เป็นทุกข์ ยึดไม่ดีนะก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยดู ด, ดีที่จริงแล้วการเข้าไปยิดอะไรเนี่ยมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยนะมันก็จะเห็นความเป็นทุกขนะ์ในสภาวะต่างๆเนะี่ยมันเป็นทุกข์นะดูดีดพยายามมากๆ ก, ก, ก็เป็นทุกข์แต่จะไม่ให้พยายามเลยบางทีก็จะเป็นความขี้เกียจขี้คันนะคําว่าพยายามคือเหมือนใจที่มัน ใจที่มันไม่ปกตินะใจที่ไม่ปกติแต่ข้างนอกเราก็ทําความเพียรมีความขยันนะมีความอดทนนะอันนั้นไม่ใช่ผิดนะแต่ไอ้ใจที่มันแบบมุ้งมุ่งเกินไปดูสังเกตเวลาทํางานเราทําแบบทําแบบมุ่งนะมุ่งแบบทําแบบจะทําให้มันเสร็จทําให้มันได้เว้ น, นะอันนี้มันมุ่งเกินไปเนยะแต่ถ้าเราทําแบบทําแบบเรื่อยๆนะ ทำแบบไม่ต้องไปกำหนดว่าเนี่ย ม, มันจะเสร็จเมื่อไหร่นะมันจะได้เมื่อไหร่เนะี่ยเราจะมีความพอใจในการทำนะต้องวางใจแบบสบายๆสยักหน่อยทำแบบผ่อนคลายนะแล้วก็เผื่อใจไปเลยว่าทำไปตลอดชีวิตนั่นแหละ <c oughs> เพราะบางทีการที่เรามุ่งว่าจะทำให้มันเสร็จเนี่ยมันเหมือนคล้าย ลึกๆมันก็คือว่าจะได้ไม่ทำสักทีจะได้เลิกทำสักทีเพราะมันเหนื่อยนะขณะที่ทํานี่ยมันเหนื่อยยนะเมื่อไหรจะได้สบายเนะียจะได้ไม่เหนื่อยนะแต่จริงในทางปฏิบาททานะัติทำเนี่ยในทางทำบางที่มันต่างจากทางโลกเนาะบางทีทางโลกเรามุ่งทำเอนะเก็บเงินเก็บทองทํามาหากินเยอะๆนะมีเงินมีทองพอสมควรอ่มีใช้ตลอดตีไม่ต้องทําอะไร ไม่ต้องทำงานแล้วก็ได้นะมั จ, จะมุ่งแบบนั้นก็อาจจะพอได้นะรบางคนที่ที่มีความฉลาดมีความรอบคอบในการทำมาหากินนะก็อาจจะทำงานไม่หนักออทำงานไม่นานก็ก็สามารถมีใช้ตลอดทั้งปีทั้งชาตนะิแล้วน่ยก็เป็นไปได้แต่ในทางการปฏิบัติธรรมแล้วนะ ถ้าไปมุ่ง ม, มากนะจะเอานี่ได้จะรู้ให้มันเร็วๆนะจะได้ไม่ต้องทําเสียทีเนี่ยนะนะมันกิเลสมันก็ดอกเรานะหล <c oughs> อกเราต้องวางใจว่าจะทําตลอดไปเนี่ยแหละนะมีความพอใจในการทําไปเรื่อยๆนะมันจะรู้ก็ช่างไม่รู้ก็ช่างนะก็รู้ว่ามันรู้นะก็รู้ว่ามันหลงนี่แหละ ทำแบบนีน้ไปเรื่อยๆนะใจมันจะผ่อนคลายแล้วก็มันจะไม่ตึงไม่เครียดนะเวลาเดินเวลานัง่งเวลานอนเวลากินดื่มพูดคุยก็ ด, ด, ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะมันจะไม่เหนื่อยนะมันเหมือนทำอะไรที่เราไม่ต้องไปเล่งตัวเองมากไม่ต้องไปเครียดตัวเองมากเนะ่ยมันจะมันจะทำแบบไม่เหนื่อยเกินไปนะถ้าเปรียบเสเหมือนกับ เราใช้รถนะถ้าแบบเราเร่งเราเหยียบ อ, อะไรมากนะเครื่องมันก็ร้อนเร็วนะแต่ถ้าเราพอดีพอดีนะมันก็ความร้อนมันก็จะไม่แรงเกินไปแบบนี้นะเราไปเร่งตัวเองเหมือนเราวิ่งวิ่งเร็วๆไปนะไม่กี่วินาทีนะไม่ถึงนาทีมันก็เหนื่อยละนะแต่ถ้าเราวิ่งเหมือนจ็อกกิ้งไปเรื่อยๆนะ่ยมันก็ไปได้ไปหลายชั่วโมงแบบนี้นาะ เมื่อเราเดินนะถ้าเดินเรื่อยๆนะมันก็เดินได้นานเยอะนะแต่ถ้าเาตั้งใจมันเร็วๆนะมันก็จะเหนื่อยเร็วอําภาวนาเองก็อย่าไปเร่งตัวเองมากนะอย่าไปเร่งไปเครียตัวเองมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ปฏิบัตินะปฏิบัติอยู่เสมอนะแทบจะตลอดเวลานั่นแหละนะแต่ปฏิบัติแบบแบบ ผ่อนคลายนะปฏิบัติแบบเรื่อยๆจะหยิบจะจับจะทําอะไรก็มีสติเข้าไปในสิ่งที่เรากําลังทํานั่นแหละนะแล้วก็คอยสังเกตดูเวลาใจที่มันไม่ปกตินะใจที่มันเผลอไปคิดนะเราก็เห็นนะเราก็ดูมันเวลาใจมันไปติดพอใจในความสุขความสบายความรู้นะก็ให้เห็นมันนะนะเห็นมัน ถ้าเราไม่เห็นมันมันจะไม่ก้าวหน้าต่อเราจะไปติดไปหลงตรงนั้นอี้อย่างหนึ่งนะอะไรมันเสียไปแล้วก็อย่าไปหามันอีกนะช่างหัวมันนะอืผ่านไปแล้วก็ช่างมันนะให้เรารู้ทันใจในปัจจุบันเช่นอืมมันเสียได้มันอยากได้อีกเลยเนี้ยคือสภาวะปัจจุบันคือตรงนี้นะของที่มันหายไปแล้วเนี่ยถ้าเราไปควานหาก็คือเหมือนเรา ไม่อยู่กับปัจจุบันแต่ถ้าเราเห็นว่าเออใจมันเสียดายเรารู้ทันใจที่มันเสียดายใจมันอยากได้อีกนะให้รู้ทันใจที่มันอยากได้อีกนะการรู้ตรงที่ปัจจุบันน่ะคือรู้สภาวะที่มันที่มันตรงๆมากเลยนะมันตรงจนไม่รู้จักไม่รู้จะอะไรมันง่ายที่สุดเลยมันคือมันเกิดขึ้นอะไรจริงๆเราก็รู้มันตรงๆแบบนั้นแหละ มันจะคิดอะไรมันจะรู้สึกอย่างไรเราก็รู้สึกอย่างนั้นแหละไม่ต้องไปทําอะไรเลยไม่ต้องไปทำอะไ ร, ไไะไรหน้าที่เราเพียงแค่รู้มันนตามที่มันเป็นจริงนะแต่บางอย่างพอมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเั็นอย่างมันใจมันเป็นหลงตรงเราไม่รู้เฉยเฉยไม่รู้ซื่อไม่รู้ตรงๆรนะมันจะปนไปเจอด้วยความอยากดีก็อยากให้มันอยู่ ไม่ดีก็อยากให้มันหายแบบนี้นะนมันจะไปเจือได้ตรงนั้นให้เรารู้ทันความอยากที่มันเกิดขึ้นมานะละความยากนั้นเสียนะนะเราจะเห็นเลยว่าที่จริงมันมันเหมือนเราปอกเปลือกตัวเองนะลอเกเปลือกตัวเองทีละขัน้นทีละขั้นนะนะเห็นได้ที่ห ย, ยาบหยาบเลยนะนะนะความเกง่งความเครียดหยาบหยาบนะ จากกายที่เราไม่ผ่อนคลายนะ่ะเห็นความตึงความอยากนะที่มันเกิดขึ้นในใจเวลามันจ้องเวลามันหรือว่าเวลามันเผลอไปเนะี่ยเราก็จะเห็นมันตั้งแต่อยาบหยากนะเห็นกายเคลื่อนไหวนะเห็นใจคิดนึกนะต่อไปเราก็จะเห็นเข้าไปในตัวกิเลสนะในการพูดการทำการคิดเนะี่ยโอ้ ถ้าไม่มีสติกำกับเนี่ยกิเลสมันสั่งทั้งนั้นเลยนะนะสั่งให้พูดสั่งให้ทำนะสั่งให้คิดนะคิดจะคิดต่อไปเลยนะอันนี้คือจะเห็นว่โอ้กิเลสมันสั่งทําไมกิเลสมันสั่งนะเพราะมันมีความอยากนะอยากดีอยากได้อยากเอานะหรือบิงทีก็ไม่อยากได้ไม่อยากเอาอนะไรก็ไดอยากเสษนะอันนี้คือความอยากมันสั่งนะมันบงการชีวิต เราก็จะเห็นต้นตอ่อต้นต่อจริงๆนที่เราเอาจริงเนี่ยคือ ต, ต, ต, ตัวตัวตัณหาตัวความอยากนี่เองนะไม่มีอะไรมากกว่านี้นะภาวนาไปมันจะเข้ามาสู่เนี่ยแหละมาเห็นทุกเนะีมาระความอยากนะพอละความอยากได้นะทุกมันก็ไม่ยึดเนะี่ยมันก็มีแต่สภาวะความทุกเนะี่ย แต่ไม่เราเราไม่ไปยึดว่าเป็นเราเป็นผู้ทุกขนี้แหละมันก็ไม่ทุกนะไม่ทุกเพราะมันไม่ยึดนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะมันมีทุกแต่ไม่ทุกเพราะมันไม่ยึดนะเพราะจิตมันไม่มันเป็นอิสระนะมันไม่ไปข้องเกี่ยวไม่ไปยึดติดเท่านั้นเนาะแล้วก็ให้เราตั้งใจทําความเพียรนะทําการเดินการยกมือ การหยิบการจับการทำอะไรต่างก็ให้รู้สึกตัวบ่อยๆนะแต่ให้มีความผ่อนคลายในการรู้สึกตัวนะถ้าเราผ่อนคลายเราจิ้มสบายๆทำไปเรื่อยๆแต่เขียยมากเกินไปนะมันจะทำได้ทั้งวันแต่ถ้าเราไปเน้นมันมากเกินไปนะมันทีมันจะเหนื่อยนะแต่คาว่าเน้นนี่ไม่ใช่เน้นก็คือ ตั้งใจรู้นะแหละแต่เป็งแต่ ว, ว่าอย่าไปมากเกินไปมันจะมันจะเหนื่อยนะมันจะเครียดนะโดยเฉพาะหลายคนสูงอายุแล้วบางทีไปทำแบบไปกำหนดไปจริงจังเงนมากเนี่ยมันจะเหนื่อยนะบางครั้งร่างกายเราเหนื่อยเราก็ทำสบายๆผ่อนคลายไปนะทำเรื่อยๆแต่ก็ไม่ใช่เรื่อยๆแบบ มันคิดไปเรื่อยนะต้องกลับมาจากความคิดบ่อยๆนะนะโดยเฉพาะบางทีเรามีประสบการณ์ชีวิตเยอะเนาะเรื่องที่มันเจ็บในใจมันเยอะนะใช่ไหมปฏิบัติทำเรื่องอะไรก็คือสารพัดปุดมาคิดนะใช่ไมสารพัดมาห่วงคนนั้นคนนี้ น, นะมันก็มีขึ้นมาสารพัดมากนะกลับมาบ่อยๆนะนี ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ่คิดบ่อยไม่เป็นไรกลับมาให้มันได้บ่อยบ่อนยะกลับมาได้บ่อยก็คือชื่อว่าเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วเนาะนะะก็ทําให้มันเต็มที่เต็มความสามารถนะเต็มเวลาที่เรามนะีในโอกาสที่เราได้มาปฏิบัติธรรมในช่วงเวลานี้เนาะนก็ฝากไว้